ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมลิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนเสนอตอนที่41โยมแม่ชมเชยว่าเขียนหนังสือเก่งและสอนโยมแม่จนวาราสุดท้าย เหลือตามมหาบูญญสัมปนโนได้ให้อว่าธรรมเอาไว้ว่าบุญมีบาปมีประจำโลกใครจะมาลบล้างธรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากรรมอยู่ใต้อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้แล้วผู้มีอำนาจนั้นจะต้องลบล้างกรรมเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกหนานแล้วไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลยเท่าที่กรรมดีช่วยยังมีอยู่ก็เพราะกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เิ่อยู่กับผู้ทำกรรมนั้นๆเท่านั้นคนเราหวังที่พึ่งตลอดเวลาอยู่ในท้องก็พึ่งแม่ตกคลอดออกมาก็พึ่งที่เลี้ยงพึ่งพ่อพึ่งแม่มาเป็นลําดับจนกระทั่งโตขึ้นมาก็ต้องพึ่งกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้คิดออกจากร่างแล้วจะไม่พึ่งได้อย่างไรต้องพึ่งสิพึ่งบุญพึ่งกรรมเจ้าของนั่นแหละถ้าไม่มีบุญจะคว้าน้ําเหลวจมปึงเลย ที่ไหนก็ไม่ถูกเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้นี่ถ้าเราทำความดีแล้วไม่ต้องคว้าก็ได้ปั๊บเดียวหนุนพึ่งเลยบุญคือความสุขความเจริญความสมหวังสิ่งที่พึงหวังทั้งหลายเหตุที่จะให้เป็นความสุขความสมหวังเพราะการทำดีทางกายวาจาทางจิตใจแล้วแต่เจ้าของจะน้อมใช้เป็นทางใดบาปคือความทุกข์ความทรมานมาจากสาเหตุแห่งการทาความชั่ว หลุงตามหาบวญยนสัมปันโนเดเล่า่าชี้ว่าประวัติของท่านเอาไว้ว่าเราขอย้อนกล่าวถึงเรื่องโยมแม่ในสมัยนั้นคุณหญิงทรงสีคนหนึ่งคุณโยมพอพงาอีกคนหนึ่งเวลามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและตอนบ่ายสี่โมงจะผลัดกันมาอ่านอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นให้โยมแม่ฟังทุกวีทุกวันอ่านเวลชั่วโมงหรือสี่สิบกว่านาทีทุกๆวันจนกระทั่งจบเราเข้าครัวออกครัว ก็อย่างที่เราเข้าอยู่นี่เข้าออกอยู่อย่างนั้นพอไปที่ศาลาวันนั้นไปธุระกับพระไม่ใช่ไปโดยลําพังเราเดินดูนั้นดูนี้อันนั้นไปด้วยมีกิตชระพอเห็นเราเข้าไปโย่แม่ก็ปุ๊บปั๊บมาเลยตอนนั้นไม่มีใครศาลาหลังเล็กๆแม่เข้ามาก็มานั่งพักล่างพื้นดินพักบนคือฟากไม้สับไม้ไผ่เราก็ขึ้นไปนั่งนั้นพอเรานั่งปั๊บแม่ก็ว่าให้แม่ชมเชยสักหน่อยนะ ชมเชยอะไรกันที่ตอนเป็นเด็กเป็นเล็กทั้งดุทั้งด่าทั้งเค้นทั้งตีเวลาโตมาแล้วมาชมเชยหาอะไรแรา ว, ว่าอย่างนี้นี้เป็นภาษาที่แม่กับลูกแย่กันทางแม่ก็ตอบดีนะโอ้ยเวลาเป็นเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งมันน่าเค้นน่าตีก็เค้นตีเอาบ้างแหละทีนี้เวลาโตมาแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแม่ชมเชยสักหน่อยเวลาแต่งหนังสือทาไมถึงได้เลิ่เลยหยดย้อยให้เอานักเอาหนา แต่งหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้อ่านจบแล้วแม่ทราบซึ้งมากน้ำตาร่วงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นด้วยแล้วก็เกี่ยวกับผู้แต่งสำนวนนี้ทำไมถึงแต่งดบแต่งดีเราก็บอกว่าก็หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระองค์เลิศเลยก็แต่งเลิศเลยตามเรื่องขององค์ท่านทุกจิทุก ก, ก, กีผู้แต่งไม่ได้เลิศเลย อ, อะไรนะโอ้ยหลวงปู่มั่นท่านเลิศเลยก็รู้ว่าท่านเลิศเลยผู้แต่งนี่ก็แปลกๆอยู่นะ ให้มีอะไรอะไรแต่งดีอย่างนี้ไม่ได้แม่จึงขอชมว่าอย่างนั้นนะแล้วแม่ก็พูดขึ้นอีกว่าเหมือนไม่ได้เกิดกับพัวอกของเราเลยลูกคนนี้แต่งหนังสือจนแม่น้ำตาร่วงจากนั้นเราก็ถามแม่บ้างว่าและเป็นยังไงที่ของเงินไปซื้อหนังสือมาเรียนมาแล้วมาแต่งหนังสือให้โยมแม่อ่านและเป็นยังไงมันคุ้มค่าไหมคุ้มมหาคุ้มลูกเอ้ยแม่ว่าอย่างนั้น เพราะจำธรรมดาพ่อกับแม่ไม่เคยชมลูกให้ใส่พ่อแม่นี้กดตลอดการชมนี้ไม่เอาเราพูดถึงเรื่องหนังสือเรื่องเอาจริงเอาจังเงินงของโยมแม่โยมแม่ส่งไปให้ไม่ยอมที่จะไปซื้อนั้นซื้อนี้มาใช้พิเศษของเจ้าของไม่เอานะต้องเพื่อหนังสือหนังสือเท่านั้นเราจริงจังมากเราเขียนหนังสือทําคู่แข่งขันเล่มแรกอย่างนั้นก็ประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ประวัติหลวงปู่ขาวย่อๆปัญญาอบรมสมาธินี่ละมหาพุทธเพื่อนกันแกอยู่วัดดอกงานจังหวัดขอนแก่นได้หนังสือชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิถามว่าใครเขียนเพราะว่ามหาบัวเขียนฮึมหาบัวเจีงกว่าสัจดาไปไหนเฮ้อไหนมาอ่านดูซิมันก็ประมาณเทศกันใหญ่ๆพออา่านจบเออเข้าท่าดีนะแนะ่เห็นไมล่ล่ะปัญญาอบรมสมาธิ ตามตำรามีแต่สมาธิอุรมปัญญาแต่เราเขียนนี่เป็นปัญญาอบรมสมาธิเมือเ่อคิดหาความสงบไม่ได้เราใช้ปัญญาหมุนติวต้วๆมันก็เลยกลายเป็นจิตกลับมาสงบด้วยอํานาจของปัญญาเขาไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติผลออกมาจากการปฏิบัติมันก็ไม่ผิดละซีปริยัตเราก็เรียนปฏิบัติก็ได้ออกปฏิบัติเรียกว่าครบปริยัตปฏิบัติปฏิเวกปริยัตได้ใจ ก, การศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติได้ใจการศึกษารเรียนแล้วนำไปปฏิบัติปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัติเป็นปฏิเวทเรียกว่าความรู้แจ้งความรู้แจ้งแห่งทะลุหลืงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในการสอนโยมแม่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเอาไว้ว่าโยมแม่นี้ เรียกเราว่ามหาครั้นการต่อมาต่อมาโยมแม่ค่อยเลื่อนชั้นขึ้นเกืกระทั่งวาระสุดท้ายเรียกว่าอาจารย์โยมแม่ลงเราจริงๆนะโยมแม่ฟังเทศได้กำลังใจตอนที่โยมพอพ ง, งานมาอยู่วัดป่าบ้านตาลเป็นเวลาสามเดือนกว่าเรื่องที่เราจะไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้โยมแม่ฟังในฐานะลูกกับแม่ไม่เคยถ้าไปก็ไปอย่างว่าละไปครัวมีแขกคนไปนั่งเทศให้แล้วเกี่ยวกับแขกคนไปได้กันเสีย การปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรอย่างไรตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งเป็นอาจารย์สอนโยมแม่นี้ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะผู้ตั้งแต่หลักความจริงเป็นอย่างไรอย่างไรที่ให้ฟังหมดเลยละโยมแม่พูดเปิด อ, อกให้กับเราว่าวันไหนไม่มีแขกคนมาอาจารย์ว่างก็ขอให้นิมนต์มาเทศอารมสอนแม่บ้างนะเวลาฟังเทศท่านอาจารย์แม่ไม่มีเคลื่อนคลาดฟังกันไหนได้เหตุดได้ผลเลยไม่ต้องบังคับ พอเสียงธรรมเริ่มสติก็เริ่มจับจิดเกี่ยวโยงกันโดยลําดับความรู้กล่อมลงกล่อมลงธรรมเทศนากล่อมใจแน่ลงสงบแน่แน่ท่าแม่ทําโดยลําพังตนเองจนหลังจะหักมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าได้ฟังเทศอาจารย์ไม่ต้องบังคับที่โยมแม่พูดก็ถูกต้องคือเสียงเทศเสียงธรรมกับความรู้นี้มันรับกันเกี่ยวเนื่องกันโดยลําดับทีนี้ความรู้มันไม่ใ ส, ส่แสบไปรับที่ไหนได้ มันรับแต่เสียงธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวติดต่อสืบเนื่องสืบเนื่องแล้วลงหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าแม่นี้ฟังเท็จใครมันก็ไม่เหมือนเทศอาจารย์นะฟังมามากยอมรับนั่งเข้าแม่ก็บอกว่าแม่นี้หูสูงแล้วนะถ้าไม่ได้เท็จอาจารย์กิดไม่ลงเลยนะถ้าเป็นเท็จอาจารย์แล้วจิดมันลงได้ง่ายตอนนี้แม่เป็นคนหูสูงไปแล้วนะทางเราก็แย่แม่ไปว่า ระวังหน้าหูสูงเดี๋ยวมันจะเป็นหูหมาทั้งนั้นก็แวะขึ้นมาทันทีว่ามันจะเป็นหูหมาได้อย่างไรนี่มันหูคนเราก็ว่ามันก็เป็นตรงที่มันสูงสูงนั่นแหละบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงสูงเอาจนเป็นเหนี่ยวตามสายทางแห่งธรรมบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเองถึงการเวลาที่จะดับที่จะไปหรือจะเป็นจะตายอะไรก็ว่าของมันไปนตามเรื่องด้วยหลักความจริงของธรรมโยแม่ได้ฟังดังนั้น ก็ร้องไห้เลยเชียวว่าโอ๊ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นคือมันเหมือนเป็นรูปเป็นภาพว่าลูกตายเราก็พูดสวนขึ้นทันทีว่าไม่อยากได้ยินก็ต้องได้ยินมันจะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวภายนอกสิเรื่องความเป็นความตายเป็นหินลับปัญญาให้พิพิจารณาให้มันคล่องแคล่วเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตายที่พูดนี้ไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตายอะไรเลยพูดตามหลักความจริง แม่จะมาเสียใจทำไมเราก็พูดอย่างนั้นโยมแม่ลงจริงๆบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงๆเอาจนเต็มเนียวโยมแม่มีนิสัยเจบุญเป็นนักบุญอยู่แล้วไม่เคยลดละเรื่องวัดเรื่องวาไปฟังเทศทุกวันพระเป็นประจำเอาถึงไหนถึงกันตลอดมาตั้งแต่เรายังไม่บวชเวลาเราบวชแล้วยิ่งหนาแน่นเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งได้ออกบวชมีความแน่นหนามั่นคงมากในใจตลอดมา การอบรมจิตใจจึงเป็นของสําคัญมากถ้าไม่อบรมตายไปไม่มีหลักไม่มีเจนให้จําให้ดีนะคนํานี้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาไม่มีที่เกาะเกาะตรงไหนมีแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องเฟืนเรื่องไฟไปเสียหาความสุขตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เจอถ้าไม่หาด้วยธรรมถ้ามีธรรมหาเท่าไหร่ก็ค่อยเจอไปเรื่อยๆตอนบารสุดท้ายเราไปยืนอยู่หน้ากุฏิกุฏิหลังเล็กๆ มีลูกหลานเฝ้าอยู่เต็มไปหมดโยมแม่ร่างกายอ่อนลงอ่อนลงเราตั้งใจจะถามจริงๆบอกตรงๆเลยว่าเป็นอย่างไรหล่โ ย, ยมแม่ดูการแม่นี้จะอยู่ได้ไม่นานจิตใจแม่เป็นอย่างไรบ้างแม่พูดขึ้นทันทีเลยว่าจิตใจแม่ดีจิตใจแม่สง่าผ่องใสตลอดเวลาไม่วิตกวิจารกับความเป็นความตายเลยหลังจากนั้นมาได้สองวันหรือสามวันแม่ตื่นเช้าขึ้นมาบอกลูกๆว่าเออ แม่จะไปในพ้นวันนี้แม่คงไปวันนี้แหละตอนเช้าวันนั้นพอเวลา8ดโมงสหนาทีโยมแม่ก็เสียไปอย่างสงบเงียบเลยนี่แหละกิดเมื่อได้รับการอบรมกิจจะมีหลักยึดคือ ท, ทำเป็นหลักยึดแล้วจะไม่ว้าวุ่นคุณมัว ก, กับสิ่งของเงินทองยดถาบรรดาศักสิ่งใด ก, ก็ตามที่เคยผัวพันกันมาด้วยความดีอกดีใจว่าเจ้าของมีสิ่ง น, นั้นส่ง น, นี้เวลาทาเข้าสู่ใจพลังของธรรม คือคุณค่าของทรรนี้จะครอบหมดครอบหมดสิ่งเหล่านี้จะจางไปจางไปกิจเลยเข้าสู่ธรรมเมื่อเข้ามาสู่ธรรมแล้วก็หนุนกันอยู่อย่างนี้เย็นสบายอะไรจะขาดอะไรจะเหลืออะไรจะหมดสิ้นไปไม่สนใจอันนี้ไม่หมดสง่างามอยู่ภายในใจนี่แหละเรียกว่าใจเป็นธรรมใจมีธรรมเป็นที่เกาะสบายอย่างนั้นเราไม่ทิตกวิจารณ์สําหรับโยมแม่เสียไปแล้วบอกโยมแม่ชัดเจนว่าโยมแม่ ไม่ต้องวิตกวิจารการเป็นการตายป่าช้าเผาศพโยมแม่อยู่หน้าศาล น, นะลูกเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเป็นเจ้าภาพศพโยมแม่ลูกจะจัดการทั้งหมดเลยพอโยมแม่เสียแล้วเอาไปเผาที่หน้าศาลาอัฐิของโยมแม่ลูกเขาจะแบ่งไปไหนก็ไม่ทราบหากว่าเหลือบ้างไปฝังที่ต้นโพบริเวณกลางวัดประมัตาของเรานี้เอง